ยังมีบัณฑิตท่านตามร่องรอยมาได้ยังเปนขาดช่วงไปนานนะหลวงปู่มั่นมาตามร่องรอยมาได้พวกเราก็ตามหลังมาอีกทีนะเห็นรอยเท้าของท่านยังอยู่กันยังไม่ถึงกับสูญหายไปเพราะเราต้องรีบเดินตั้งแต่วันนี้นะถ้าช้ากว่า น, นี้ร่องรอยที่พระพุทธเจ้าร่องรอยที่ครูบาอาจารย์ทิ้งไว้หายไปเนี่ยเราจะลำบากจะร่อนเร่เราเห็นเราหตน่าลาบากมากในสังสารวัฏเนี่ย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 แล้วกักูสนจะเกิดได้ถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นพัฒติจะเกิดไวขึ้นไวขึ้นตามความชำนาญของเราการที่อากุศลดับไปแล้วไม่เกิดใหม่สติเกิดขึ้นแล้วก็เกิดเร็วยิ่งขึ้นเรียกว่าสัมมาวายามะหรือเรียกว่าวิริยะนั่นเองวิริยะในสติสัมโพสในสัมโพชงนะก็คือตัวสัมมาวายามะดังนั้นการที่เรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจนี่แหละเรียกว่าเรามีความเพียรชอบแล้ว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 ถึงบอกว่าถ้ารู้ตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายถ้าเบื่อหน่ายแล้วเห็นว่าทุกอย่างไร้สาระนะจิตจะคลายกำหนัดคือคลายความหลงยินดีนะหรือยินร้ายในสิ่งทั้งหลายนะัย่นเองจะหมดความยินดียินร้ายพอคลายกำหนัดคือคลายความผูกพันคลายความยึดถือยึดถือก็มีสองแบบใช่ไหมยึดเอาไว้ยึดผลักออกไปถ้าไม่ไม่ยึดจะผลักมันทําไมนะเมื่อไร่จิตหมดความยินดียินร้าจิตก็หลุดพน้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว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 สัมมาสมาธิแท้ๆก็เกิดยากสติแท้ๆเกิดจากจิตจำสภาวะได้สัมมาสมาธิเกิดจากจิตมีความสุขที่ได้เห็นสภาวะเะฉั้นจิตจะมีความสุขขึ้นมาจิตก็จะตั้งมั่นรู้กายรู้ใจเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยสอนอาจารย์สุรวัตรไปไหนละสอนนิดเดียวนะบอกว่าให้รู้ทุกสิ่งด้วยความเป็นกลางรู้ทุกสิ่งด้วยความเป็นกลางนี่มันก็ครอบคลุมคำ ว, ว่าสติกับสมาธินั่นเอง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 เราได้ยินคําว่าสามั ญ, ญลักษณะคือไตรลักษณ์สามั ญ, ญลักษณะเป็นลักษณะร่วมของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะส่วนวิเศษลักษณะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งแต่ละสิ่งทําให้สิ่งนั้นเนี่ยแยกออกมาเป็นคนละสิ่งกับสิ่งอื่นเช่นความโลภก็มีลักษณะของความโลภความโกรธมีลักษณะของความโกรธความหลงความสุขความทุกข์แต่ละตัวแต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะของเขาเอง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 เราจำได้ว่าความโกรธมีลักษณะอย่างนี้เอไหมมันร้อนๆนนะ้ําพุ่งพรวดขึ้นมาเนี่ยถ้าแรงหน่อยขึ้นถึงหัวเลยขึ้นหน้าเลยนะใจเต้นตูมๆๆนะจะกัดเอี่างเขาแล้วนะจำได้พอตัวนี้ผุดขึ้นมานะสติะระลึกเลยเนะนี่ยต้องฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆพอมันลักษณะเฉพาะตัวของสภาวะได้แล้วสติจะเกิดเองพอนะสติเกิดแล้วเนี่ยเราจะเห็นสภาวะอันนั้นจะแสดงไตรลักษณ์ทันที เช่นความโกรธที่เกิดขึ้นเราจะเห็นเลยบทมันจะโกรธมันก็โกรธของมันขึ้นมาเองนะไม่ใช่สั่งให้โกรธนะห้ามมันไม่ให้โกรธก็ไม่ได้นะมันขึ้นมาเองพอมันขึ้นมาแล้วนะจะไปไล่มันมันก็ไม่ไปยิ่งไล่ยิ่งอยู่เลยยิ่งไล่ยิ่งแกล้งเรานะอย่างพักโกรธขึ้นมาไปดูเมื่อไหร่จะหายโกรธนะยิ่งโกรธหนักเข้าไปอีกโกรธคนอื่นก่อนนะที่แรกต่อมาโกรธตัวเองว่าไม่ไม่หายโกรธสักทีนะเนี่ยให้คอยรู้นะถ้าเรารู้แล้วเราจะเห็นไจรักความโกรธจะแสดงไจรัก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 ทันทีที่เห็นสภาวะนะเราจ ะ, จะเห็นสภาวะได้ต้องรู้จักลักษณะเฉพาะของมันเนี่คืวิเศษลักษณะรู้จักลักษณะเฉพาะตั ว, ตวเราก็เห็นเลยความโกรธโผล่ความโลภโผล่ความใจลอยโผล่ใจไหลไปคิดแวบไปเราจำลักษณะมันได้นะพอไหลไปคิดแวบสติเกิดพอสติเกิดแล้วใจเราตั้งมั่นเป็นกลางนะอย่าไปยุ่งกับมันไม่ใช่ไปว่ามันนะว่าโง่ฟเฟลอโกดอีกแล้วฟเฟลออีกแล้วอะไรเงี้ยอย่างนี้นฟุง้งซ่าน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 เอาเชิญถามได้เดี๋ยวก็จะตอบอย่างเดิมตอนนี้สกลับมาพิธีกา ร, ร, กการหลวงพ่อครับตอนนี้ผมหลงบ้างรู้บ้างแล้วก็มีโทรศัพท์เล็กน้อยใช่ไหมครับใช่แล้วไปตรึงไว้ไปกดตัวเองไว้ด้วยตัวที่กำลังบงการพฤติกรรมของเราอย่างแรงเลยนะคือการบังคับตัวเองไว้รู้สึกไหมมันนิ่งๆกิดความเป็นจริงครับดูออกไหม มันพึ่งนิ่งเมื่อกี้เองออครับออมันนิ่งนิ่งเพราะมันกลัวกลัวไม้ถ้าอยากหายก็วางไมค้ซะ <c oughs> ถูกต้องแล้วนะเห็นสภาวะใด้ถูกต้องแล้วรู้ได้ถูกต้องเลยไหมมีรู้อีกแล้วเห็นไหมรู้ได้ถูกต้องแล้วเสลอแล้วรู้สึกไหมเสลอก็คือไม่รู้นะชื่ออะไรมีชื่อด้วยชื่อพลเหรออ๋ออย่างนี้เห็นหลายหลายทีก็จําได้ต้องหลายทีเพราแก่แล้วแก่แล้วพอไม่เห็นนานๆก็ลืมอีกนะ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 เราก็รู้ทันความขี้เกียจเกิดขึ้นในใจเราเคลื่อนไหวไปเราทำงานไปแล้วเราก็คอยรู้กายคอยรู้ใจไปเห็นไหมามได้อีกแล้วว่ารู้ต่อไปไม่มีใครถามอะไรหลวงพ่อหรอเพื่อเี่หลวงพ่อคะฐานของจิตหนูเป็นไงบ้างคะอย่าสนใจคำว่าฐานเลยนะยังไม่ต้องสนใจหรถ้าสนใจฐานเดี๋ยวจะไปเพ่งเอาเพ่งมากไป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 เคลนไปร้อยปีพันปีตายแล iques, form, like ้วหมดเวลาจะไม่ได้ภาวนาใจของลมเลยนิ่งใจของลมอย่างเงี้ยนิ่งอยู่ได้นานเป็นปีๆนะไม่มีใจรักให้ดูดูใจรักยากเพราะอะไรเพราะมันคงที่งั้นใจมนุษย์ดีที่สุดมนุษย์น่ะหลายใจเพราะฉะนั้นดีอย่าชังคนหลายใจนะเราเองน่นแหละหลายใจนะ เดี๋ยวจิตแล้วก็เกิดที่ตาเดี<ๆ>๋ยวก็เกิดที่หูเดี๋ยวเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดท<ๆ>ี่ใจแล้วเดี๋ยวก็เป็นจิตสุข<ๆ>เดี๋ยวก็เป็นจิตทุกข์<ๆ><ๆ>เดี๋ยวเป็นจิตเฉยๆเดี๋ยวเป็นจิตโลภ<ๆ><ๆ> จ, จิตโกรธจิตหลง<ๆ>เดี๋ยวเป็นจิตที่มีหิริโอตตาปามีศรัทธามีอะไรขึ้นมาใจของเราเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมีสติตามรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วปัญญาจะเกิดในเวลาสั้นอย่าน้อมใจของมนุษย์ที่ดีที่วิเศษนะให้เสียหายไปโดยการทําใจให้เป็นพรฟมทําใจให้เป็นโฟม คล้ายๆคนติดยานะพ่อสังเกตดูมันคล้ายๆคนติดยาน้ำจะเคลิมมีความสุขน้ำเคริม้มมีความสุขแต่หลายระดับนะลมถ้าลมสูงขึ้นไปเนี่จะอุบกขาจะไม่เคลิ้มเคลิมในความสุขแต่จะพอใจในความสงบมิเวายในไม่มีสิ่งใดมากระทบได้จะพอใจอยู่แล้วก็เคลิ้มลงไปไม่ดีกลับไปเป็นคนปกตินะที่ตอบยาวเพราะว่า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 เกิดระดับทั้งสิ้นสภาวธรรมทั้งหลายไม่มีเราอยู่ในนั้นไม่มีเรานอกเหนือจากสภาวธรรมทั้งหลายเหล่านั้นด้วยพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเป็นพระโสดาบันแนละ้วเป็นพระโสดาบันนะใจมันจะอบอุ่นเต็มตื้นขึ้นมาเลยมันจะอบอุ่นมันไม่ใช่ลูกกาําพร้าลูกหลงทางอีกแล้วไม่ใช่ลูกแก่ลงฟูอีกแล้วบ้านเราอยู่บ้านเรามีเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ะพ่อแม่รออยู่ที่บ้านด้วยพ่อแม่ไม่ได้ตายหมดแล้วนะอย่าสําคัญผิดนะ <laughs> พ่อแม่ยังรออยู่ที่บ้านนะ เราก็จะภาคเพียนไปเข้าใกล้ไปเรื่อยเป็นลำดับลาดับบางวันก็ขี้เกียจถลยรู้สึกสบายใจแล้วถลายบางคนถลย7ยชาตินะถลยเล็กน้อย7ชาติบางคนถลย1ยชาติอะไรเงี้ยบางคนไม่เอาแล้วจะกลับบ้านแล้วกลับไปถึงบ้านที่แท้จริงบ้านที่แท้จริงของเราเนี่ยไม่ได้ไปหาที่ไหนเลยอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่เต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตานี่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 นำ้ำมัศการพระอาจารย์ประโมทค่ะเอ่อหนูจะถามว่าตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยถูกต้องหรือยังคะแล้วเนดีนะดีขึ้นแล้วละ่ะค่ะแต<ล>่ก็ลดการบังคับลงนิดนึงจิตใจเรามัวมัวไปนิดนึงดูออกไหมจิตใจเราไม่ผ่องใสเต็มที่อย่างจิตตอนนี้เกิดความสงสัยขึ้นทราบไหมทราบจิตเกิดความสงสัยแล้วเราไม่เห็นว่าจิตสงสัยเนี่ยเรียกเป็นโมหนะเนี่ยใจใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมทราบให้รู้ทันลงไปนะ ใจสงสัยขึ้นมาอีกแล้วทราบไหมทราบลงไปเรื่อยๆนะรู้สึกัหมใจค่อยคลายออกจากตะกี้แล้วเมื่อกี้เครียดเครียดกว่านี้ตอนนี้ใจเริ่มคลายใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมรู้ลงไปนะรู้ลงปัจจุบันไปเห็นไหมตอบประโยคํำว่ารู้อีกแล้วทีหลังไม่ต้องถามนะนึกคำถามอะไรก็ได้แล้วก็ตอบว่ารู้ไวส้สิรู้ไวส้สนะิแอบไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหม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 มรณภาพไปแล้วมีลูกศิษย์รุ่นพี่อยู่เขาพระบอกมาว่าเนี่ยหลวงปู่รับรองว่าองค์นี้ท่านเข้าใจธรรมะขั้นต้นแล้วก็ไปหาท่านไปเยี่ยมท่านเร่ยังไม่ได้บวชนะไปถึงวัดที่ท่านอยู่เนี่ยตอนเที่ยงเที่ยงมองปลดัดๆลดไปรู้เลยว่าองค์ไหนเขาเดินจงกรมอยู่องค์เดียว <laughs> นอกกนั้นเป็นเวลาเย็นเช้าเย็นเพล น, นอนบ่ายพักผ่อนกลางคืนจาวัด เดินตากแดดก็เดินอยู่ใครใครก็หัวเราะพระองค์นิ <t <t <t <t ่มบ้าพาวนาอะไรหนักหนาสาหัสอย่างนั้นเวลาผ่านมา20ปีพระองค์นั้นกลายเป็นพระแก้วพระทองไปละเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนาจะไปดูคนอื่นนะเราดูของเราเราภาคเพียรไปคนอื่นเขาไม่ภาวนาเขาจะหัวเราะย่ออะไรก็ช่างเขาเราภาวนาลูกเดียว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 คนมีธรรมะนะสดใสดูสิคุณยาย90สดใสราบซ่าพวกเราบางคนดูดูไม่สดชื่นเท่านะไหนไหนมีไหมครับกลับมาพิธีกากรหลวงพ่อครับคืออยากถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่นี่มีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างครับทีแรกเราก็ต้องรักษาศีลให้ดีนะตั้งใจไว้มีศีลให้ดี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 บางคนอ่านหนังสือมีอ่านหนังสือแล้วก็หลุดออกมาตื่นขึ้นมามีแต่ซีดีเยกว่าหนังสือพหนังสืออ่านแล้วมีสับเยอะไปนิดนึงที่ต้องเขียนสับเยอะหน่อยคือให้พวกนักพี่ทำมาอ่านบ้างไม่งั้นนักปริญาตกันักปฏิบัติไม่ถูกกันพูดกันไม่รู้เรื่องกลับมาพิธีการหลวงพ่อนะครับวันนี้จะมาขอรายงานการปฏิบัติก็คือช่วยยกไม้อย่างเนี้ยแบบนักร้องอะ่ะก็คื อ, อที่ผ่านมาก็คือรู้ตัวบ้าง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 ความโกรธหรือความฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะตามรู้แต่รู้แบบเบาๆแต่พอความรู้มันดับปุ๊บมันจะเหมือนกับเรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาทันทีเออย่างนี้ก็ใช้ได้นะรู้เท่าที่รู้ได้ไม่ต้องแกล้งรู้ให้ชัดๆอย่าแกล้งรู้ให้ชัดนะถ้าแกล้งรู้ให้ชัดจะเครียดถ้าจงใจรู้เนี่ยนะจะเครียดมากขึ้นมากขึ้นนะทนไม่ไหวเดี๋ยวสติแตกต้องเบรกบ้างนะรู้เล่นๆรู้สบายใจ แต่ถ้าสบายจนกระทั่งเลื่อยเฉื่อยขี้เกียจขี้คลานนะก็ปลุกใจให้แอคทีฟบ้างมันไม่มันมมเน้นเหมือนเราขับรถอะร่ะเวลานีค้ควรจะเหยียบพันเร่งก็ต้องเหยียบเวลานี้ควรเหยียบเบรกก็เกรบรกนะไม่ใช่เหยียบอันใดอันหนึ่งนะเหยียบอันใดอันหนึ่งไปไม่ถึงที่หมายหรอกใช่ไหมขับรถถ้าไม่เหยียบเบรกไม่ถึงอ่ะถึงปาราโลกครับขอบขอพระคุณหลวงพ่อครับ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 ขอหลวพ่อชวนำเพิ่มเติมด้วยเจ้าค่ะก็ใจของเราตอนนี้ไม่ตั้งมั่นดวกไหมให้รู้ว่าไม่ตั้งมั่นอย่าไปบังคับมันนะให้รู้ว่าไม่ตั้งมั่นใจแอบไปคิดทรบไหมให้รู้ทันว่าใจแอบไปคิดใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงนั้นไปนเรื่อยๆแล้วลดความจงใจลงแต่ตอนนี้จงใจมากกว่าปกติเพราะว่าตื่นเต้นธรรมดา นำ้ำมศการพระอาจารย์ค่ะคือจะขอส่งการบ้า น, นะคะอาจารย์เวลานี้รู้สึกว่าตัวเองเกิดความเบื่อหน่ายมากเลยอะคะ่ะแล้วก็บางครั้งจะมีความรู้สึกว่าแบบร้องไห้ออกมานะคะแต่ว่ากำหนดรู้ตามอะคะ่ะอาจารย์แล้วก็เวลามีอะไรเข้ามาสัมผัสนี่ใจมันจะเป็นกลางกลางอะคะ่ะ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 ความโกรธมันจะพุ่งขึ้นมาเราเห็นเหมือนคนอื่นโกรธแลว้วมันจะพุ่งไปเลยเนี่ยอนุสัยขี้มโมโหซึ่งเคยมีอยู่เดิมนะจะค่อยๆลดลงเพราะมันขัดทุนมันโปลูกลงมาแล้วมันหายไปโปลขึ้นมาแล้วมันหายไ ป, แ, ยไปแต่คนทั่วๆไปพอมันปลูกลงมาความโกรธงอกขึ้นมาเนี่ยนะยินดียินไล่ตอบสนองมันไปความโ ก, กรธก็สะสมพลังเหมือนต้นไม้นะั้นงอกใบออกมาแล้วก็เอาอาหารกลับไปเก็บไว้เกิดหัวเกิดรากเกิดอะไรขึ้นมายิ่งเติบโตมากขึ้น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 เดินเล่นๆ่นะไม่ต้องว่าเราจะเดินจงกรมจริงจังนะเดี๋ยวเครียดวันนี้ใส่ขี้เครียดเครียดง่ายทำอะไรก็ได้ที่รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆไปดูนะว่าทำอะไรค่ะ<อ>คือสมัยก่อนคนน้อยนะอย่างหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลทงทีทั้งวันก็มีเราไปคนเดียวสองคนอะไรอย่างเงี้ย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 อันไหนภาวนาแล้วก็เครียดเกรงแข็งก็อย่าไปทํามันถึงเคยทําอยู่ก็เลิกซะอย่าไปเสียดายเลยของไม่ดีนะต้องช่วยตัวเองใช้ความสังเกตเมื่อก่อนหลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะแล้วก็มาที่เนี่ยสาราลุงชินจะมีคนมาถามกรรมฐ า, านเยอะแยะเลยพวกเด็กรุ่นนี้นั่นแหละพกที่ใส่เสื้อสีประหลาดตะหลาดเนี้ยมาล้อมถามไว้ถามถามถาม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 คนที่ฟังแล้วปิ้งขึ้นมานะจะอูทานออกมาว่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข่าง่ายเหมือนเปิดของคว่ำให้หงายง่ายนะง่ายมากที่เรายากเพราะเราคิดมากเรียกว่าคิดมากยากนานถ้ารู้เข้าไปเลยกลายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่งงางนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่งงาง น, นั้นนี่คีย์เวิร์ดนะท่องไว้นะกลายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่งงางนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่งงางนั้นตามรู้มันไปเรื่อยๆตามรู้มันไปเป็นระยะระยะ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 หลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเล่าแล้วท่านน้ําตาไหลเลยท่านน้ําตาคลอไม่ถึงกับไหลน้ําตาคลอบอกว่าท่านลูกศิษย์หลวงปู่ ม, มั่นเหมือนกันอยู่บ้านถือรุ่นเดียวกันนะเขาพ่นทุกคนร้อนแนละ้วท่านยังไม่ได้แต่ท่านไม่เลิกนะอีกร้อยชาตทิท่านก็จะทํานี่หัวใจของนักปฏิบัติต้ตองเด็ดเดี่ยวอย่างนี้นะอีกร้อยชาติก็จะทำํำนกะราบนพัส ก, การหลวงพ่อครับคืออยากจะกราบเรียนธารมหลวงพ่ออาการที่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 ผมทำถูกไหมครับก็หลวงพ่อแนะนำนะครับทําถูกนะแต่ใจตอนนี้มีโมหะเยอะไปนิดนึงมันมัวไปนิดนึงดวออกไหมง่ายมันตื่นเต้นด้วยครับออ ต, ตื่นเต้นแต่ใ จ, ใจ<ห>มันฟุงฟ<ๆ>ุนี่กดแล้วนี่เก็บกดนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะไปนั่งเก็บกดปล่อยมันนะปล่อยมันเลิกหยังเพราะว่าญาติโยมจํานวนมากอยากกลับละกลับ น, นมสัส ก, การหลวงพ่อครับ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 รู้สึกไหมให้รู้ลงปัจจุบันไปอย่างนี้นะเราโดยส่วนใหญ่เราผมเพ่งเกินไปหรือเปล right? ่าครับเพ่งเกินไปนิดหนึ่งลดลงนิดหนึ่งเพ่งมันมาจากความอยากดีเผลอน่ยมันมาจากความอยากชั่วนะเพ่งนั้นมันอยากดีมันก็เลยไปเพ่งไวเพราะมครับเพราะฉนั้นเผลอไปเขาเรียกว่าอาปุญญาพิสังขารที่ไปเพ่งก็เรียกว่าปุญญาพิสังขาร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 ขอพระอาจารย์ได้กรุณายกโทษทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาใจเพราะความประมาทด้วยเถินหลวงพ่ออาโหสิกรรมให้นะแล้วถ้าหลวงพ่อประมาทพลาดพลั้งอะไพวกเราหลวงพ่อก็อาโหสิด้วยนะนี่ทำเนียมพระนะเอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปุเพปมาชิตวาปัชชาโซนัปมัชชะติโสมังโลกังปพาเซติอาภามุตโตวจันติมา ยัสสะปปังกตังกั ม, มังกุสเรนประปะิยติโซมังโลกังปะพาเซติอภามุตโตวจันิมาอาภิวาทนาสีลทธิชนิจังุตทาปจ า, ายิโนจตาโรธรมาวะทันตียอายุวันโนสุขังพระลังเรวต้องถวายทานนี่ครับแต่เดี๋ยวถวายทานร่วมกันนะครับ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 เมื่อตอนต้นเดือนเนียไปหาครูบาจารย์ทรายสารท่านบอกว่าท่านส่งต่อไปอีก129วัดนะนันของที่พวกเราให้หลวงพ่อมาเนี่ยมันกระจายไปสู่อีก130วัดนะนั้นเป็นบุญหลายชั้นของพวกเรานะรับถอนนะยะถาวารีวาหาปูราปาริปูเรนตีสาขรังเอวเมวะอีตัทินนางเปตานางอุปกปฏิ อิติตังปฏิตังตุมหังกิะเมวาสมิตฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปปาจันโดปันนรสอยธามนิโชติรสอยาทาสพีติโยวิวัตชันตุสัพโรคโควินั ส, สตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีขายยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุธาปัจายโนจัตตารโอธรมาวัทันตีอายุวันโนสุขัง ก๊ลงัง